พราวาตั้งแต่นี้ไปนะพราหมณ์จงห่มผ้าผืนนี้มาฟังธรรมพระธาชาก็อยากจะเห็นผ้าตัวเองเยอยู่กับตัวของพราหมณ์นั่นจะได้ปลื้มใจว่าพราหมณ์นี้เขาอาศัยผ้าของพระองค์แล้วก็มาฟังธรรมได้อย่างสบายเลยไม่ต้องกังวลใจพราหมณ์ก็คิดไคร่ครวนว่านี่คือผ้าเนี่ยราคาหนึ่งพันหนึ่งพันกหาปันะแพงมาก ความคิดอีกฉลาดอีกคราวนี้ศรัทธาทำงานคล่องแล้วคิดใคร้ครวนวิตกวิจารณ์ไปด้วยศรัทธาว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่เราจะนำผ้ากําพลสีแดงผืนนี้มาห่มกายอันบูดหน่าหของเรานี้เราเคยคิดไหมว่าร่างกายเราเนี่ยมันสกปรกถึงสกปรกเราก็รักนะเราจริงต้องทะนุถนอม เอาอะไรที่ดีงามให้มันบริโภคหรือให้มันนุ่งหม่มอยู่เสมอเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นกายอันบูรเน่าถ้าจริงๆแล้วมันก็จะคลายความสาคัญตนเองหรือว่ารักตัวเองลงไปเยอะเขาคิดว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่สมควรแก่การที่จะห่มผ้าผืนนี้เลยเพราะผ้าผืนนี้มีราคามากควรจะบูชา คุณพระพุทธเจ้าอันประเสริฐกว่ากายของเขาเอาเราลองเทียบเอาร่างกายของเราเนี่ยเอาตามความจริงของมันที่มันสกรปรกมาไปเทียบกับคุณพระพุทธเจ้ามีศีลมีศรัทธามีหิริโอตตะปั๊มีปัญญาหรือมีพระกรุณาของพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ากายของเราเนี่ยมันไม่มีคุณค่าควรแก่การบูชาเลยเพียงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ที่แร่ไพศาลออกไปก็มีค่าเกินกว่ากายของเราเนี่ยไม่รู้กี่แสนเท่าแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงนำผ้ากำพลขึ้นไปกระทำเป็นเพดานเหนือที่บรรทมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีในพระคันธกุฎีเสร็จแล้วก็กลับไปเนื่องจากว่าคุ้นเคยแล้วบูชาเลยนะขอเอาผ้าเนียห่มพระคันธกุฎี ของุทธเจ้าไว้เช้าอีกวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปวิหารแต่เช้าประทับนั่งในที่ใกล้พระศาสดาภายในพระคันทกุดีในขณะนั้นพระพุทธรัศมีหประการมีอะไรบ้างหประการนะเขาว่ามีสีเขียวแกมน้ำเงินนะเกิดจากดวงตาของพระพุทธองค์และก็เส้นผมเนี่ย พัทสมีเนี่ยจะพันดังสีจะเปล่งออกไปจากพระวรกายแล้วก็มีสีแดงนะจากพระโลหิตนะสีขาวสีเหลืองนะแล้วก็มีสีออกแสดหรือสีส้มสีเหมือนกับแสงเงินแสงทองก่อนพระาทิตจะขึ้นนะนี่เป็นห้าสีแล้วนะแล้วก็ทั้งห้าสีนี้เลื่อมประพัดซอนเปล่งประกายออกเลยเป็นหสี แพ่ขึ้นไปกระทบกับผ้ากำพลคือผ้ากำพลก็สีแดงชับพันธะทงสีของมัสมา ส, าสมุติเดเจ้าก็เปล่งออกสาสศด า, าอื่นไม่มีนะสาสด า, าทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีสีอะไรออกไปจากตัวหรอกนอกจากจะแกลงทำกนทนันนั่นแหนะแกลงเอาเอาอะไรอะ่ะ เอาไปฉายไปส่องในจีวรอย่างนั้นนะ ม, นมันแกล้งทําไม่เอานะนี่เกิดด้วยพระคุณของพระองค์จริงๆแผ่ขึ้นไปกระทบกับผ้ากําพลก็ทําให้ผ้ากําพลนั้นมีสียิ่งงามรุ่งเรืองเลิศล้ําอีกพระราชาทอดพระเนตรเห็นผ้ากําพลผืนนั้นก็ทรงจําได้จึงกราบทูลว่าผ้ากําพลผืนนี้ของหม่อมฉันได้ให้แก่พราหมณ์ผู้มีผ้าผืนเดียวพระเจ้าค้า พระศาสดาตัดอธิบายว่าถูกแล้วมหาบพิษมหาบพิษบูชาพราหมณ์พราหมณ์ได้บูชาตถาคตสูงสุดแล้วบุคคลที่เราจะพึงบูชาแล้วได้ได้ผลสูงสุดนะหรือมีคุณสูงสุดที่ควรแก่การบูชาคือพระสัมพุเจ้าบุคคลอื่นนั้ไม่มีพระราชาทรงสดับแล้วทรงเลื่อมใสในพรามณ์นั้นว่า พราหมรู้จักสิ่งที่ควรกระทําแต่เราไม่รู้จักคือพระราชาเขาคิดว่าเรานี่โง่ทุกทีคือเวลาให้พราหมไปแล้วเนี่ยพราหมไปทําดีกว่าเราทุกทีได้บุญกว่าเราทุกทีเลยเป็นอย่างนั้นนะเรานี่ก็มีผ้าเยอะแยะแต่ไม่เคยคิดจะมาบูชาเพดานนะบูชาพระคันธกุฎีของพุทธเจา้าไม่ใช่บูชาพระคันธกุฎีบูชาคุณพระพุทธเจ้านะแต่เขาฉลาดที่จะไปประดับไว้ที่เพดานเพราะฉะนั้น พระราชาก็ยิ่งเลื่อมใสนะว่าโอ้พระรามเนี่ยฉลาดจริงๆท่านก็ฉลาดมานานแล้วละ่ะพระร์เแราะว่าบำเพ็ญกุศลมามาไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นพระราชาจึงพระราชาทานสิ่งของต่างๆอย่างละแปดล้วนเป็นของที่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งนั้นให้แดอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นของที่ต้องใช้ประโยชน์กับชีวิตของเราเองนะ อาจจะเป็นนอกจากผ้าแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดุ่งห่มอะไรมีอะไรต่างๆอีกอย่างละแปดนะแกพรามแล้วตั้งพรามไว้ให้เป็นปุโรหิตนะที่ปรึกษาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์นะสมัยนี้ก็คงเป็นองค์ขมนตีอ่นะพรามเมื่อได้ดีแล้วก็ไม่ได้ลืมความดีนะเออในเราเนี่ยได้เป็นปุโรหิตก็พระบุญความดีของเรา ไมได้เป็นด้วยสิ่งอื่นเลยเพราะเราบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเราศรัทธาเรื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยเพราะเราทําความเสียสละเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เห็นว่าสิ่งใดจะมีค่าแก่ชีวิตจะเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตเขายิ่งไปกว่าความดียิ่งไปกว่าศรัทธายิ่งไปกว่าความเสียสละแต่เขาไม่ได้เห็นว่าของที่ให้จะมีค่าอะไรมากเกินไปกว่า ของที่จะนำมาทําที่พึ่งให้แก่ตนเองอีกก็คือเขาได้จัดตั้งสลากกระพัดขึ้นหกสิบสี่ที่เพราะว่าให้ได้ของมาเนี่ยแปดอย่างนะเขาก็มาคิดว่าแปดแปดนี่แปดคู่เนี่ยนะ8ปดปดก็เป็นหกสบสี่เพราะนั้นเราจัดถวายอาหารจับสลากให้พระสงฆ์มารับถึงหกสิบสีที่เพิ่มบุญเข้าไปอีกได้จากพระราชาแล้วฉลาด ยิ่งขึ้นไปทำบุญให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ทานรักษาศีลอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ตายจากสวรรค์มาเกิดในจะ ก, กูลกุดุมพีในเมืองพาราณสีตรงกับเรียกว่าพุทธันดอนคือในระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระโกนาคม พุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้าในพัทธกัประหว่างนะคือไม่ใช่จะพุทธเจ้าสององค์มาเกิดระหว่างที่พุทธเจ้าองค์โกนาคามะณะหมดไปแล้วาศาสนาของพระองค์หมดไปแล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นพระกัสสปพุทธเจ้าเนี่ยเขามาเกิดเมื่อเวลาที่เขาเติบโตขึ้นในตระกูลกุดุมพีก็รับหน้าที่ปกครองบ้านเรือนวันหนึ่งก็ได้ออกไปเที่ยวในป่า และได้พบกับพระปัจเจกผู้เทเจ้าองค์หนึ่งคือไม่มีพระพุทเทเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์จะมีก็แต่เฉพาะพระปัจเจกปัจเจกก็เฉพาะตนนะแปลว่าอย่างนั้นคือสําเร็จเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสเฉพาะตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนพระปัจเจกผู้เทเจ้าองค์นี้กําลังนั่งกระทําจีวร อ, อยู่ที่ริมแม่น้ําแต่คั้นกระทําไปผ้าอนุวาดคือผ้าที่จะเย็บ ทับเป็นผ้าตรงปลา ย, ลายจีวร อ, อนุวาดเนี่ยแปลว่าตามลมเพราะมันจะถูกลมพัดเนี่ยเป็นผ้าที่อยู่ปลา ย, ลายเมื่อไม่มีผ้าก็เตรียมจะม้วนเก็บไว้แสดงว่าพระสมัยก่อนไม่มีจักเย็บผ้าก็เย็บเองต้องมีได้มีเข็มประจําตัวอยู่พราหมณ์ผู้นี้พอแลเห็นแล้วจึงถามว่าเหตุไรพระคุณเจ้าจึงจะม้วนผ้าเก็บเสียละ่ะขอรับ พระปเจรพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนกุดุมพีเพราะว่าผ้าอนุวาดของอาตมามีไม่พอที่จะเย็บพราหมณ์ก็เลื่อมใสบอกว่าขอท่านจงกระทำอนุวาดด้วยผ้าผืนนี้เถิดขอรับแล้วก็น้อมผ้าเข้าไปถวายแด่พระปเจรพุทธเจ้าและตั้งบณนิทานว่าข้าพเจ้าเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามขออย่าให้ประสบกับความเสื่อมในสถานที่นั้นๆเลย อย่าได้ประสบกับความพินาศเสียหายนะของทรัพย์สมบัติความเสื่อมทั้งปวงนะอย่าได้มีค่อยมีแต่ความเจริญอันนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าทําบุญแล้วคนฉลาดเขาอาธิษฐานเราทําบุญแล้วเนี่ยไม่ค่อยอธิษฐานบางคนก็กลัวว่าอาธิษฐานแล้วก็เป็นความโลภอธิษฐานแล้วก็เป็นการค่ากําไรเกินควร เราไม่รู้หรอกว่าบุญเน่ยเขาให้กําไรเรานะเกินกว่าที่เราคาดเอาอีกไม่มีการลงทุนอะไรที่จะกําไรยิ่งกว่าบุญอีกแล้วนะีไม่มีโดยเฉพาะบุญที่ทําในพระพุทธเทจา้าหรือพร ะ, พระอริยสงฆ์เนะี่ยไม่มีอีกแล้วถึงเราจะไม่อยากได้เขาเขาให้อยู่แล้วนะกําไรที่บุญเขาให้เนี่ยผลที่หลังไหลออกเนี่ยมันมากมันมากกว่าเศรษฐีสมัยนี้ไปลงทุนอะไรอีกล่ะ ไอ้ลงทุนนะรู้สึกมันจะขัดทุนนะเพราะมันยิ่งโลภมากแต่ว่าบุญที่เขาให้เนี่ยแม้เราไม่อยากได้เขาก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติของบุญจะต้องให้ผลมากกว่ามากกว่าเหตุนะมากกว่าต้นเหตุที่ต้นเหตุคือการทําบุญการทําบุญอาจจะทําไปเพียงครั้งเดียวแล้วเราก็ลืมไปแล้วอะ่ะแต่ผลบุญเนี่ยเขา ให้เราได้มากมากมายทีเดียวแล้วเปรียบเหมือนกับมะม่วงเม็ดเดียวเนี่ยไปปลูกแล้วก็จะให้ลูกมะม่วงเนี่ยนับกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทําบุญแล้วเราต้องอธิษฐานอย่าไปคิดว่าบุญเขาให้เราไม่ได้ถ้าเราคิดว่าบุญให้ผลอะไรเราไม่ได้แล้วเราจะไปทําบุญทําไม ให้เมื่อบุญให้อะไรเราไม่ได้แล้วถ้าบุญมันให้อะไรเราไม่ได้บาปมันกมน็มันก็น่าจะให้อะไรเราไม่ได้ให้ผลอะไรเราไม่ได้เหมือนกันแต่มันให้ได้ทั้งสองอย่างเราต้องเชื่อว่าความปรารถนาวิจิตพิศดารอะไรก็ตามเนี่ยมากมายหลายแสนอย่างมันสําเร็จกันได้ด้วยบุญเช้า ว, วันเช้า ว, วันหนึ่งนะเช้าอีกวันหนึ่งภรรยาของกุฎุมพีผู้นี้ก็กําลังทะเลาะกับน้องสาว ของสามีคือของกุดุมพีเนี่ยอยู่ในบ้านพระประเจพุทเเจ้าก็เดินบินธบามาถึงพอดีพอดีกำลังทะเลาะกันท่านทั้งหลายก็ <c oughs> ตื่นช้ามาแล้วอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะคือน้องสาวของกุดุมพีพอเห็นพระก็เลิกทะเลาะละเลิกทะเลาะฉลาดเหมือนกันจัดอาหารมาตักบาตร พระปัจเจกพุทธ เ, เจ้าแล้วตั้งความปรารถนาอีกเหมือนกันฉลาดอีกเหมือนกันทําบุญแล้วก็อธิษฐานตั้งความปรารถนาความอยากไว้เลยว่าขอให้ข้าพเจ้าไกลจากคนพาลเช่นนี้ตั้งร้อยโยต์ร้อยโยต์ก็เอา16ไปคูณพันหกรยิโลเมตรอขอให้ไกลจากคนพาลเช่นพี่พี่ตะไพ่เราเนี่ยเราไม่อยากเจอแล้วทะเลาะกัน ภรรยาของกุดุมพียืนอยู่บริเวณว่านไม่ไกลพอจะได้ยินจริงๆแม้วคงจะอยากจะได้ยินอยู่เหมือนกันนะนะว่าคนมันโกรธกันอยู่มันก็เพ่งโทษเอ๊ะไปทำอะไรเอาไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วยังพูดอย่างนี้อีกนี่มันดูถูกกันนี่นะหาว่าเราเป็นคนผ่านแล้วขอให้ไกลตั้งร้อยโยน์เมื่อได้ฟังคำปรานาของน้องสามีเข้าดังนั้นเกิดบรรดาลโทสะขึ้นมาทันทียิ่งมากกว่าเดิมอีก สุดที่จะยับยั้งตั้งสติได้ก็คิดแบบคนพาลดังที่เขาว่าเลยนะอย่าให้พระรูปนี้ได้ฉันอาหารที่หญิงนี้ถวายเลยโกรธคือมันโกรธทั่วไอ้ความโกรธนี่มันมันหาเรื่องไปเรื่อยอะ่ะโกรธผู้หญิงคนนี้อ้าผู้หญิงคนนี้ไปทาดีกับพระก็โกรธพระต่อนะเป็นอย่างนั้นนะเราก็เหมือนกันเราโกรธใครเนี่ยถ้ามีใครมา มารักคนที่เราโกรธเราจะโกรธไอ้คนที่มารักต่อไปอีกเนี่ยเป็นธรรมชาติของความโกรธมันจะทำลายไปเรื่อยมันจะประทุสลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พระชันอาหารที่หญิงนี้ถวายาก็จะไปเอาความคิดดีๆจากความโกรธนะั้นไม่ได้นะอย่าไปหวังเลยจึงตรงเข้าไปแย่งเอาบาตรมาจากพระประเจกพุทธเจ้าแล้วเทข้าวทิ้งเสีย แล้วเอาโครนใส่ในบาทจนเต็มถวายแทนคือท่านนี้ก็ยังไม่ทันจะไปอ่ะนางคนนี้ก็ไปคว้าบาทมาเลยโกรธมากอย่าให้หญิงนี้ได้บุญเลยว่ากันง่ายๆนะแล้วก็อย่าให้พระนี้ได้ฉันเลยก็เอาโครนใส่บาทจนเต็มถวายแทนฝายน้องสาวขงกุดุมพีเห็นพี่สะพ้ยกระทาเช่นนั้นก็ชักโกรธขึ้นมาองเหมือนกันนะ แต่ว่าโกรธแบบมีมีสติหน่อยก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ยนางคนพานเจ้าด่าว่าเราดีกว่าเจ้าไปเทข้าวจากบาตรของท่านผู้บำเพ็ญบา ร, รมีมานานตั้งสองอสงไขโอ้ oh, นี่เขามีปัญญาลูนะมีปัญญาลู่กับเราซะอีกครับคือพระประเจ้จาเป็นบา ร, รมีมาสองอสงไขยจริงๆกว่าจะสาเร็จได้พระผู้มีพระภาคเจ้า สีอาสงไขแสนกลับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นนางคนนี้ก็รู้เลยว่าเนี่ยหญิงคนนี้เป็นโง่โง่โงดที่สุดละบรมมาโง่เลยนะคือทะเลาะกับเราอ่ะไม่เป็นไรเราไม่บิบา ร, รมีอะไรมากแต่ว่าไปทำร้ายพระประเจบุูเ้เจ้าเนี่ยไม่สมควรเพราะนั้นจึงได้บอกว่า เจ้าเทข้าวจากบาตรของท่านผู้บำเพ็ญบารมีมานานตั้งสองอสงไขยแล้วใส่โคลนถวายไม่สมควรเลยเจ้าเป็นคนทําบาปหนักว่าไปเลยว่าบาปตักแต่มันก็หนักจริงๆอ่ะเพราะว่าพระประเจรพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาบินทบบาทโคลนนะไม่ได้มาบินทบบาทกโกรธความโกรธนี่ไม่ได้มาแต่ต้องมาเจอแต่เนื่องจากท่านไม่มีกิเลสก็ไม่ว่าอะไรนะ ภรยาของกุดุมพีได้ฟังถ้อยคําของน้องสามีร้องว่ามาเช่นนี้ก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ว่าเออเรากระทาผิดอย่างร้ายแรงด้วยความหลงจึงวิ่งติดตามพระประเจริญผู้ตรเจ้าไปขอเอาบาตมาท่านก็ให้ถท่านเอาโคลนไปท่านก็ได้ไปเป็นการโคลนก็ดีเหมือนกันเอาไปทํากุฏิได้นะไปทากุฏิได้เหมือนกัน เนื่องจากว่าํำนึกผิดก็เลยไปเทโครนออกเสียแล้วก็ล้างบาดจนสะอาดขัดด้วยของหอมของหอมนี่อะไร อ, ะอ่ะก็อาจจะเป็นน้ำมันหอมนะทิทาแล้วหอมใส่อาหารที่มีรสอร่อยสี่ประการลงไปเป็นอาหารอันเลิศเลยดีกว่าข้าวที่หญิงน้องสามีถวายอีกนะเป็นพวก น้ำพึง่งน้ำอ้อยเนี่ยเนยใสอะไรพวกนี้น้ำตาลใส่ลงไปเป็นอาหารอันเลิศนะแล้วใส่ข้าวคลุกกับเนยใสซึ่งมีสีเหมือนสีดอกประทุมสีกลีบดอกประทุมไว้เบื้องบนใส่ใส่ของของที่เรียกว่าอาหารอันบรนัณีตมีน้ำพึ้งผสมเป็นต้ น, นยอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาข้าวใส่ข้างบน แล้วนําไปถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเหมือนกันเพราะจําได้แล้วน้องสาวคู่ศัตรตูเราก็ตั้งปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ได้ปรารถนาห่างไกลาจากหญิงคนนั้นนะ่ะไม่เอาแล้วกับตั้งพรามปรารถนาว่าอาหารที่ขา้าพเจ้าถวายมีสีสวยฉันใดขอให้สลีละกายของขา้าพเจ้ามีสีสวยฉันนั้นคือไปเห็นว่าอาหารนี่สวยเหลือเกิน สีสันของอาหารนี่สวยมากเพราะน่าอารมณ์นั่นเลยเกิดความโลภในอารมณ์นั้นเออเราขอให้ร่างกายเราสวยเหมือนสีของอาหารนี่เถอะเพราะว่าธรรมดาปกติผู้หญิงเนี่ยต้องรักร่างกายเป็นอันดับหนึ่งอยากให้เราสวยกว่าใครที่สุดอ่ะเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราสวยน้อยกว่าใครนี่ไม่ค่อยดีนะแต่จริงๆอธิษฐานอย่างนี้มันก็ไม่ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะ แต่เขาอธิษฐานไปแล้วนี่เพราะว่าอารมณ์มันจะพาะหน้าอารมณ์มันจะเพาะหน้าว่าโอ้แนนสวยเหลือเกินสีของอาหารที่ถวายไปเนี่ยนะเพราะว่าสีเหมือนกลีบดอกประทุมดอกประทุมเนี่ยสียังไงอะสีขาวสวยมากนะพระปัจเจกพุเทธเจ้าก็กระทำอนุโมทนาว่าความปรารถนาของท่านจงสำเร็จ สำเร็จด้วยบุญของท่านแล้วนะก็หอกลับไปยังที่อยู่ของท่านสองสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันสืบต่อมาจนตลอดอายุแล้วตายไปเกิดในสวรรค์ถึงเวลาก็จุติคือตายจากสวรรค์มาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์อีกกูดุมพีสามีมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีผู้มีสมบัติ80บโกดในเมืองพราราณสี ตรงกับสมัยพระสัมมาสัมพุทธเทจ้านามว่าพระกัสปะสาศาสดาจารย์ฝ่ายภรรยามาเกิดเป็นที่ดาของเศรษฐีเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละตระกูลและเมื่อบุคคลทั้งสองเติบโตขึ้นมาก็ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกนะเพราะว่าก็เคยทำบุญร่วมกันและก็ความที่ ได้อธิษฐานบุญบารมีเอาไว้เนี่ยก็ทำให้ได้มาพบกันได้ง่ายแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันอีกแต่ก่อนจะได้เป็นสามีภรรยานั้นก็มีเหตุต้องให้เลิกล้างอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงเจครั้งหย่ากันั้งเจครั้งนะมาทำสถิติเหมือนกันเนี่ย ทั้งนี้คือเมื่อผู้ใหญ่มาสู่ขอทิดาเศรษฐีเป็นครั้งแรกและนำไปสู่ตระกูลของสามีพอทิดาเศรษฐีหรือว่าเจ้าสาวก้าวพ้นธรณีประตูบ้านของบุตรเศรษฐีผู้จะเป็นสามีเข้าไปร่างกายทุกส่วนของนามก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งเหมือนกับส้่มที่เขาเปิดหลุมทิ้งไว้เปิดปากหลุมทิ้งไว้ มันจะเหม็นแค่ไหนก็ลองไปยืนอยู่ส่วมดูกันแล้วกันเอาซ้วมที่แตกแต ก, กันนะบตรเศรษฐีนี่ทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวเจ้าบ่าวทนไม่ไหวนะจึงถามว่านี่มันกลิ่นอกมาจากไหนกันเนี่ยและพอทราบว่าเป็นกลิ่นเหม็นที่เกิดจากทิดาเศรษฐีก็ให้ส่งนางกลับไปบ้านของนางเสียนะไม่ทราบว่าอยู่บ้านเหม็นหรือเปล่านะอาจจะไม่เหม็นก็ได้ พอมาถึงบ้านสามีแล้วมันต้องเหม็นขึ้นมาได้ทันทีเลยนะก็ด้วยอำนาจวิบากคำที่ทำไว้นะเนี่ยเรื่องบาปนี่อย่าไปล้อเล่นกับเขานะเขาก็ไม่ล้อเล่นกับเราหรอกเขาเอาจริงทีดเดียวแล้นะแต่เราไปนึกไปดูถูกว่ามันไม่น่าจะมีโทษเถิดอะไรมากมายนี่นะก็เพราะเราไม่รู้จักเข า, าสิไม่รู้จักบาปคำว่าบาปนี่มันก็น่าจะรู้จักยู่แล้ว ว่ามันเป็นของมีโทษสกปรกเศร้าหมองมีทุกข์มากอะไรอย่างนี้มันมั น, มนชื่อมั น, น่ะมันบอกคุณสมบัติความจริงต้องโทษสมบัติหรืออานุภาพของมันออกมาเพราะฉะนั้นนางก็ต้องเป็นม่ายเลยยังไม่ได้แต่งงานนะเราแต่งงานแล้วนะแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเรกลับไปซะก่อนเป็นม่าย ต่อมาบุตรเศรษฐีก็เกิดความคิดถึงอีก เ, อเกิดความรักอีกแล้วก็เคยอยู่ร่วมกันมานึกถึงอีกแล้วก็ให้ไปนําเจ้าสาวกลับไปอีกเหตุการณ์ก็ปรากฏเหมือนครั้งแรกอีกก็คือเม่นทนไม่ไหวเพราะเข้ามาในห้องก็ต้องส่งตัวกลับนะใครเล่าจะนอนอยู่กับซ่่มได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจึงให้ส่งนางกลับไปเพราะทนกินเหม่นไม่ไหวนั่นเอง กลินเม้นอันหน้อาอบยบอ่าขออภัยกลินเมนอันหน้าอับยบที่เกิดจากสรีระกายของนางกระทาให้นางต้องถูกส่งกลับตร ะ, ะกูลเดิมถึง7็ดครั้งเป็นเพราะอำนาจบาปกรรมที่นางโกรธน้องผัวแล้วก็ไปโกรธพระบาเจพุทธเจ้าแล้วเอาโครนใส่บาตพระบาเจพุทธเจ้าในชาติก่อนนั่นเองนะอันนี้เป็นผลบาปกรรมยังติดมา คโครนมันก็เหม็นใช่ไหมล่ะไม่ใช่หอมนี่ใส่ลงไปในบาทก็คือถวายของเหม็นเมื่อเราให้ของเหม็นเราก็ต้องได้ของเหม็นมันตรงกันนะจะว่าเราไม่อยากได้ไม่ได้เราอยากได้เราอยากได้ที่เราจึงได้ไปหยิบเอาของเหม็นนะ่ะไปให้เขานั่นแหละแสดงว่าเราอยากได้ของเหม็นตอนนั้นเราก็เลยได้ติดมาเลยร่างกายเหม็นแบบว่ายิ่งกว่าคโครนนั้นซะอีกนะ คือเหม็นเหมือนอุจจาระไปเลยการต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสะเส ด, ดดับขันธบรณิพานไปมหาชนต่างช่วยกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นสูงหนึ่งโยชิลหกกิโลเมตรนะหนึ่งโยก่อด้วยอิฐทองคำราคาแผ่นละหนึ่งแสนตำลึงหนึ่งแสนตำลึงนี่ก็ไม่ไม่คงไม่ถูกละ อิดทองคำนะอิตันเลยอติตันตันแล้วก็เป็นทองคาไม่มีอะไรผสมเนี่ยเพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิธาตุของพระกัสปะพุทธเจ้าเขาจะสร้างเป็นห้องไว้นะห้องที่บรรจุด้วยทองคำใหญ่สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีของบูชามากมายขณะกำลังที่มีการก่อสร้างพระเจดีย์อยู่นั้นที่ดาสศรษฐีก็เกิดปัญญา คิดแยบขายขึ้นมาอีกว่าเราต้องถูกส่งกลับมาบ้านถึงเจ็ดครั้งนะเราจะต้องการอะไรด้วยกับชีวิตเช่นนี้มันก็น่าจะเสียใจแล้วล่ะไม่ต้องการชีวิตแล้วนะไม่ใช่ต้องการชีวิตเป็นต้องการชีวิตยังต้องการชีวิตแต่ว่าไม่ต้องการชีวิตแบบนี้ไปแล้วก็ถูกเขาไล่กลับมาห้าเจ็ดครั้งเนี่ยมันหมดท่าเลยเพราะนั้น เห็นมีดาราสาวมั่นนะจ้าประกาศมั่นแล้วเจ้าบ่าวไม่มาเจ้าบ่าวไม่มาร้องไห้เป็นลมสลบมันไม่ต้องเสียใจมากนะมีคนเขายิ่งกว่านี้อีกนะไอ้แค่นั้นของเรานี่มันยังไม่เท่าไรหรอกจะไปฆ่าตัวตายจะก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก้ตัวได้นะแก้ตัวกันได้คิดดังนี้แล้วจึงให้คนใช้ล้างเครื่องแต่งตัวให้สะอาด แล้วบทกระทำเป็นอิดทองคํายาวหนึ่งซอกสูงหนึ่งคืบกว้างสี่นิ้วนะยาวหนึ่งอกสูงหนึ่งคืบก็สูงหนึ่งคืบสี่นิ้วไ อ, ส อ, วสอสว้สูงก็คือกว้างนั่นแหละแล้วทาด้วยหอร ด, ดานมโนศิลาคือหินอ่อนที่บทให้ละเอียดผสมกับแร่ทาธาตุสารหนูหรือกรรมฐานมีสีแดงอมเหลืองและถือดอกบัวแปดดอกไปยังที่สร้างพระเจดีนั้น ก็ให้มีเหตุอัศจรรย์คือว่าการก่อสร้างพระเจดีย์ยังขาดอิฐอยู่หนึ่งก้อนพอดีเลยนางจึงบอกนายช่างให้นำอิฐของนางไปวางในที่นั้นส่วนนายช่างก็ฉลาดอีกล่ะพูดกับนางว่านางมาพอดีกับเวลาจริงๆเลยขอให้นางเป็นผู้วางอิฐนั่นเองจะเป็นการดีคือทำด้วยมือตัวเองเลยไหนศรัทธามาแล้วของของนางเอง นายช่างก็หวังจะให้นางได้กระทําด้วยมือของนางเองนั่นแหละที่ดาเสตฐีนั้นจึงขึ้นไปที่พระเจดีละลายหอราดานมโนศิลาด้วยน้ํามันแล้ววางอิฐก้อนนั้นไว้ให้เชื่อมกับอิฐก้อนเก่าที่เขาก่อไว้ก่อนเสร็จแล้วบูชาด้วยดอกบัวแปดกำมือนางในชอบดอกบัวนะนะยกมือขึ้นไหวพร้อมกับตั้งความปรารถนาว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามจงให้กลิ่นกายของข้าพเจ้าหอมเหมือนกลิ่นจันทร์กลิ่นไม้จันทร์น่ะไม้หอมนะและขอให้กลิ่นปากของข้าพเจ้าหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวด้วยบุญที่ทำเนี้ยขอให้เป็นอย่างนี้คือกายเรามันเหม็นมากเหมือนอุจจาระนะก็ขอให้ หอมเหมือนกลิ่นจันทร์และขอให้ปากซึ่งมันก็ปากคนปกติมันก็เหม็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ชุมนุมของของสกรปรกที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็ขอให้หอมเหมือนดอกบัวใครจะไปทําบุญและอธิษฐานก็ได้นะจะได้ไปนั่งใกล้ๆใครแล้วคนเ้าก็ไม่อยากลุกหนีอ่ะนะจะได้เออแม่มีกลิ่นอะไรหอมหอมมาเป็นความสุขของคนอื่นด้วยเนี่ย เมื่อตั้งความปรารถนาดังนี้แล้วก็กราบไหว้พระเจดีเดินประทักศิลเวียนขวาสามรอบแล้วก็กลับไปในขณะนั้นบุตรเศรษฐีผู้เคยมาขอนางไปเป็นภรรยาก็เกิดมีจิตคิดถึงทิดาเศรษฐีขึ้นมาอีกด้วยอำนาจราคะนนะทั้งในเวลานั้นกำลังมีงานนักขัดตะเลิกประจำปีของเมืองนั้นบุตรเศรษฐี จึงถามพวกคนใช้ว่าทิดาเศรษฐีผู้ที่เคยนำมาในที่นี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนถ้าแต่นายทิดาเศรษฐีนั้นกลับไปอยู่ตระกูลมารดาบิดาแล้วขอรับถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงไปรับเธอมาเราจะเที่ยวดูงานนักขัตะเลิกคือจะเที่ยวคนเดียวมันก็เหงาให้ไปพานางมาเถอะจะได้เที่ยวด้วยกันบุตรเศรษฐีสั่งพวกคนใช้ให้ไปนานางมาเพราะความรักและคิดถึงนาง พวกคนใช้ก็พากันไปที่เครือหาแห่งธิดาเศรษฐีตามคําสั่งธิดาเศรษฐีเห็นพวกคนใช้ของบุตรเศรษฐีมาก็ถามว่าพวกท่านพากันมาที่นี่ทําไมพวกคนใช้ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังธิดาเศรษฐีทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรหรอกแต่นางมีความหนักใจเกี่ยวกับเครื่องประดับผู้หญิงต้องประดับตัวนะต้องตกแต่งร่างกายให้สว ย, สวย จึงบอกแก่พวกคนใช้ไปตามตรงว่าการที่นายของพวกท่านมาชวนเราไปเที่ยวดูงานนักสัตว์นั้นข้าพเจ้าเต็มใจจะไปแต่ไม่มีเครื่องแต่งตัวเพราะว่าเครื่องแต่งตัวที่เคยมีอยู่นั้นข้าพเจ้าได้บูชาพระเจดีย์เสียหมดแล้วคือพ่อแม่ให้ไว้หมดเนี่ยทองคําทั้งหลายจะเป็นต้มหูสร้อยคอสร้อยขอ้ อ, ยขอมืออะไรต่างๆเนี่ยนะทาไปเป็นก้อนอิดบูชาพระเจดีย์หมดเสียแล้วเลยไม่มีเครื่องแต่งตัวอะไรอีก พวกคนใช้กลับไปบอกบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีก็บอกว่าพวกท่านไปรับนางมาเราจะให้เครื่องแต่งตัวแก่นางพอธิดาเศรษฐีมาถึงคฤหาสน์ของบุตรเศรษฐีนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายอันเป็นมงคลก็ปรากฏขึ้นเครื่องหมายของมงคลอันนี้ก็หมายถึงว่าบุญของนางให้ผลให้ผลในชาตินั้น น, นนะคือคฤหาสน์และเรือนเล็กๆ